Book two. 2 3สามสองที่ร้านอาหารสี่ทร้านอาารสีรขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่อินดงพอมฟริตอร์ม็ดแคชัพ และมายองเนสสองทีโอ้องกงเง่เม็ดมายอเนสและไส้กร อ, อกกับมัสตาร์ดสามทีโอ้สามกงเง่สตเดพุลเซเม็ดเซเนปคุณมีผักอะไรบ้างครับวิลกสลักส์กรุ้นเซร์คุณมีถั่วไหมครับไฮเบอร์น คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับไฮบลอมคผมชอบทานข้าวโพดหวาน can ผมชอบทานแตงกวา can ผมชอบทานมะเขือเทศผมชอบทานมะเขือเทศ คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Can also คุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Can also คุณชอบทานถั่วลินเซ่นด้วยใช่ไหมครับ Can also คุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมครับ Can คุณชอบทานบลอกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ Can คุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับ Can ผมไมคุณชอบทานักหวานด้วยใช่ไหมครับคผมไม่ชอบมาักหใหอกชม Jeg kan ikke lide oliven. Jeg kan ikke lide svampe.